ได้มาขึ้นสังขารุเปกขายานุเทศเลยนะในสังขารุเปกขายานซึ่งในอุเทศสวาระท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ว่าปัญญาในความปรารถนาจะพ้นไปทั้งพิจารณาและวางเฉยอยู่เป็นสังขารุเปกขายาน ท่านอธิบายในหน้า60ว่าคําว่ามุนจิตุกรรมมยตาปฏิสังขาสันติธนาปัญญาสังขารุปเปกขาสุยานังความว่าพระโยคีบุคคลใดมีความประสงค์คือปรารถนาเพื่อจะพ้นเพื่อจะสละฉะนั้นพระโยคีบุคคลนั้นจึงชื่อว่ามุนจิตุกรรมมยโยแปลว่าผู้ใคร่จะพ้ น, นอย่างครั้งก่อนที่อุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนกับว่า เห็นป่าอะไรที่มันเหมือนอยากจะออกจากที่ตรงนั้นเลือะเกินเนี่ยนะเห็นที่ที่มันมีภัยรอบด้านก็ต้องการจะออกความเป็นผู้ใคร่จะพ้นชื่อว่ามุลจิตตุกรรมยตาอันนี้ก็เกี่ยวกับวยากรณ์ปัญญาใดย่อมพิจารณาย่อมไขครวนเพราะฉะนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปฏิสังขาปฏิสังขาโยนิโสเป็นต้นเนี่ยนะปฏิสังขานี่แปลว่าพิจารณาหรือคําว่าปฏิสังขาแปลว่าการไตรตรองก็ได้ ปัญญาใด ย, ย่อมตกลงย่อมวางเฉยเสียได้ฉะนั้นปัญญานั้นชื่อว่าสันติธนาแปลว่าวางเฉยอย่างหนึ่งการวางเฉยชื่อว่าสันติธนาสรุปว่าปัญญานั้นชื่อว่ามุญจิตุกรรมยตาด้วยปฏิสังขาด้วยสันติธนาด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่ามุญจิตุกรรมยตาปฏิสังขาสันติธนาแปลว่าความไข่จะพ้นการพิจารณาและการวางเฉยเนีน่ย มุนจิตุกรรมมยตานั้นด้วยปฏิสังขาด้วยสันติธนาด้วยโอ้ตั้งหลายด้วยนะอันนี้เป็นสมารอะไรยอมเป็นสมารอะไรเป็นทวันทวัสมาต์นะใช่ไหมเป็นทวันทวะสมาต์นะทวันทวะสมาตินี่นะคนที่คนที่เรียนวยากรมาเขาจะรู้นะว่าถ้าวิเคราะห์ศัพท์แบบนี้นะแบบฟอร์มเขาอย่างนี้มีชื่ออย่างนี้อะไรอย่างนี้ ก็คือเกี่ยวกับการเอาเนื้อความหลายๆคำมาต่อๆกันน่ะนะต่อๆกันแบบว่าแต่ละคนก็เป็นใหญ่เฉพาะตัวของเขาอ่ะสรุปว่าความเป็นผู้ไขจะสลัดเสียซึ่งความเกิดเป็นต้นของพโยคีบุคคลผู้เบื่อหน่ายด้วยนิพิธายานในเบื้องต้นชื่อว่ามุนจิตุกรรมมัยตาหมายถึงว่าคนที่เห็นว่าไอ้อุปาทะเนี่ยมันมันเป็นภัยอ่ะนะต้องการไม่ให้มันมีอุปาทาอีก เห็นว่าปะวะตะความเป็นไปในวะตาเนี่ยมันเป็นภัยเห็นว่านิมิตคือขันท่าเนี่ยเป็นภัยอายุหนะนาการประมวลมานี่เป็นภัยปฏิโซนที่ก็เป็นภัยอันเมื่อเห็นภัยลักษณะอย่างนี้ก็ต้องการจะออกจากต้องการจะออกจากภัยเหล่านั้นเน้ยการใคร่ครวนสังขารทั้งหลายที่พิจารณาแล้วเพื่อทําอุบายแห่งการสละในท่ามกลางชื่อว่าปฏิสังขาพอพิจารณาแล้วนี่ยนะ ต้องการจะสละแล้วนะการปล่อยวางและ ว, วางเฉยได้ในที่สุดชื่อว่าสันติธนาสรุปว่าปัญญาสามประการโดยประเภทแห่งการกำหนดอย่างนี้ชื่อว่าความรู้ในการพิจารณาสังขารทั้งหลายเรียกว่าสังขารุปเปกขายานแปลว่าพิจารณาเพื่อหาทางปล่อยอุบายในการปล่อยแล้วก็ปล่อยวางได้ไอ้คาว่าปล่อยวางในที่นี้เนี่ยเป็นยังไงปล่อยวางไม่จับไม่ต้องและ ก็ยังมีสังขารเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยนะก็แต่ว่าเป็นการวางใจในสังขารแล้ววางใจที่ไม่เอาแล้วบอกพอแล้วเนี่ยนะคือมันมันเบื่อถึงที่สุดแล้วก็บอกว่าไม่เอาอีกแล้วอันนี้เนี่ยนะก็พย וק ทบุคคลผู้ปรารถนาะความเข้าไปวางเฉยในสังขารด้วยปัญญาแม้ทั้งสามต่างด้วยประเภทการกาหนดกล่าวคือมุลจิตุกรรมมตา ปรารถนาจะพ้นการเกิดเป็นต้นปฏิสังขาการพิจารณาสังขารทั้งหลายสันตินาการวางเฉยในสังขารทั้งหลายจริงๆแล้วสามคำนี่เนี่ยต่างกันโดยพยายมชนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเววัจนะหาระนะต่างกันแค่คำเท่านั้นเองดังที่ข้างหน้าต่อไปที่เราจะเรียนถึงบอกว่ามุญจิตุกรรมมยตาปฏิสังขานุปัสสนา สังขารุปเปกขามีเนื้อความเป็นอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น น, นี่เป็นเววจนะหาระนะแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าคําว่าสังขารุปเปกขาสูนี้เป็นพหูวจนะเพราะสังขารุปเปกขาเนี่ยเป็นของมากด้วยสามารถแห่งสมถะและวิปัสนาคือหมายความว่าสังขารุปเปกขายานเนี่ยนะเป็นสมถะก็มีเป็นวิปัสนาก็มีทั้งสมถะวิปัสนาที่เป็นสังขารุปเปกขายานเนี่ยมีมาก คาว่าสังขารุเปกขาสุในการเพ่งสังขารทั้งหลายอธิบายต่อไปว่าจิตแห่งแต่จิตของพระโยคีบุคคลผู้เบื่อนาอยู่ย่อมเรียกว่าระย่ออยู่ด้วยนิพิทายานนั้นด้วยประเภทแห่งการกําหนดย่อมไม่ติดไม่คล่องย่อมไม่เกี่ยวอยู่ในสังขารทั้งหลายทุกประเภทอันอยู่ในภพกําเนิดคติวิญญาณทิติและสักก์ว่าทั้งปวงจิตนั้นก็ไข่ที่จะพ้นใคร่ที่จะสลับทิ้ง สังขารทั้งหมดเนี่ยนะ uh huh. คือของมันมีภาระอนะเหมือนกับว่าใครโยนเอามหาภาระมาให้นะ ก, ก็ต้องการออกอย่างเดียวนะ ไ, ไม่ต้องการรับมหาภาระอันนั้นอีกต่อไปก็เห็นโทษนะเหมือนขันห้าเนี่ยโอ้ยบริหารก็เดือดร้อนยุ่งยากเคยเห็นใครมีรถเก่าๆแก่ๆโบราณโอ้ยใช้ไปซ่อมไปไม่กี่กิโลต้อ ง, งเข็นั้งซุ่นะปล่อยได้ก็น่าจะดีนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะนะมันมันเป็นมหาภาระที่เราเดือดร้อนทุกข์ร้อนเนี่ยโดยเฉพาะใครที่รู้จักขันห้าเป็นอย่างดีเนี่ยจะรู้ว่ามันมหาภาระที่ที่ใหญ่จริงๆริงคิดดูในชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนที่เกิดมาชาติเนี่ยนะบริหารขันห้ามาขนาดนั้นขนาดนั้นมันก็ยังไม่ได้เชื่อฟังอะไรเลยนะเพราะั้นมันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่มากเพราะนั้นต้องการจะออกจากขันห้า แต่อย่าลืมนะว่าผู้ที่มีความปรารถนาที่จะออกจากขันท่านั่ น, นเป็นผู้ที่ฟังธรรมนะพื้นฐานมาจากการฟังธรรมหรือไม่ก็อุปนิสัยมาเป็นอย่างดีเพราะว่าคนทั่วๆไปเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะเลยที่จะเบื่อขันท่าง่ายๆเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่โยมเคยถามว่าเอ้นี่คนทุกๆยากๆ น, น่าจะมาศึกษาธรรมะดีใช่ไหมไม่ใช่เลยเนี่ยนะแค่ฟังเขาก็ไม่อยากฟังแล้วนะ จะกล่าวไปใหญ่ถึงจะปฏิบัติตามถธรทำด้วยเล่าท่า น, นคนที่มีปัญญามองเห็นระยะยาวเลยนะมองเห็นความเป็นไปในวัฏฏะอย่างนี้ก็จะจิตนี่ต้องการออกจริงๆต้องการสลัดออกจากสัพพะสังขารจริงๆตรารบมนัิการสังขารใดก็เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหมดเลยนะทั้น ต้องการจะเปลื้องออกต้องการจะสลัดทิ้งออกเหมือนปลาที่ติดอยู่ในตะไครเนี่ยนะนะพอติดปั๊บมันดิ้นเลยนะมันต้องการออกอะ่ะกบที่อยู่ในปากงูเนี่ยนะนะไกป่ปาที่ถูกขังอยู่ในกรงมรึกที่ติดบ่วงงูที่อยู่ในกำ ม, มือของหมองูช้างใหญ่ที่เล่นไปตกล่นเนี่ยนะ น, ะนาคราชอยู่ในปากครุฑพระจัร์ที่เข้าอยู่ในปากราหู การท่เท พ, พบุตรนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ดวงการนะนะแต่หมายถึงการท่าเท พ, พบุตรบุรุษถูกศัตรูล้อมเอาไว้เหล่านี้เป็นต้นล้วนเป็นผู้ไข่จะพ้นเพื่อหลุดรอดไปจากพันธนาการนั้นๆด้วยกันทั้งสิ้นฉันใดจิตของพโยคีบุคคลนั้นอ่ะย่อมไข่ที่จะพ้นไข่ที่จะหลุดรอดจากสังขารทั้งปวงก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ามุนจิตุกรรมมยสะ มุนจิตตุกรรมมัตาแปล ว, ว่าความใคร่ที่จะพ้นของพโยคีบุคคลผู้ใคร่จะพ้นย่อมถูกต้องนะ่ะต้องการออกจริงๆอ่ะมันมันมนันอึดอัดมากเลยนะมันอึดอัดมากที่ที่อยากจะออกนะเพราะมันใครเคยเป็นบ้างก็ก็จะรู้ดีนะเอาง่ายๆว่าต้องการออกจากที่บางแห่งเนี่ยนะที่เรียกว่ามันอยู่ต่อไปไม่ได้จริงๆอ่ะนะมันจะออกแล้วนะมันไม่ไหวจริงๆอ่ะอยู่ไม่ได้แล้ว อันนี้ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาเห็นภัยในขันท่าในวัตะในภูมิสามก็เหมือนกันมันไม่น่าเอาสักอย่างเลยไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีเพราะรู้ว่าถ้าไปยินดีเพลิดเพลินอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกที่จะเจริญอย่างนี้ได้นะกรรมสกตาต้องเป็นอย่างดีนะรู้เป็นคนที่รอบรู้สัพพะสังขารเหล่านั้นเป็นอย่างดีเลยว่าถ้าจิตไปเพลิดเพลินในสิ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะ เหมือนคําที่พระผู้มีพระภาคสอนท่านพระปุณณะเนี่ยนะปุณณะชาวสุนาปรันต์เนี่ยบอกว่ารูปที่น่าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร้พาใจให้กำหนัดถ้าผู้ใดเข้าไปเพลิดเพลินในรูปนั้นพูดถึงดํารงจิตตั้งจิตมั่นในรูปนั้นเนี่ยนะเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณณะเนี่ยนะถ้าเพลิดเพลินในรูปนั้นเนี่ยหมายถึงว่าตถทุก์ไม่มีที่สิ้นสุดนะปุณณะ อันเนี้พลิดเพลินในเสียงในกลิ่นในรสในโภตาภาในธรรมมรรคทั้งหลายวัฏฏะทุกไม่มีจบไม่มีสิ้นนะปุณณะอย่างเงีนะ้ยนะไอ้คำว่าเพลิดเพลินเนี่ยหมายถึงเนี่ยวัฏฏะเนี่ยมันมีความเพลิดเพลินเป็นเป็นมูลเนี่ยนะวัตฏะสงสารเนี่ยนะมีความเพลิดเพลินเป็นมูลวัตฏะทุกขมีความเพลิดเพลินเป็นมูลเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในทุกเพราะคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นความสุขท่านจึงใช้คําว่า สังขารในในภูมิสามเนี่ยเป็นเหยื่อของมารเป็นเด็ดของมารเป็นเครื่องล่อของมารเรียกว่าหน้าชื่นใจเป็นเบื้องต้นนะนะแต่ตอนจบละ่ะเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะมันอร่อยในเบื้องต้นใช่ไหมผ่านลิ้นนี่สบายมากแต่ว่าหลังจากนั้นละ่ะเดือดร้อนเลยนะท้องผูกบ้างท้องเสียบ้างอยู่นั่นนะก็วนปนอยู่แถวนั้นนะเนี่ยนั้นแต่ละอย่างหน้า ย, ยินดีในเบื้องต้นแต่เป็นมหาภาระอย่างสดใน ในเบื้องปลายเชื่อไหมว่าเราเพลิดเพลินกับสิ่งใดนะเราจะเสียใจกับสิ่งนั้นเนี่ยร่ําไปอนนเสียใจที่ไม่ได้เจอนี่ก็เดือดร้อนอย่างหนึ่งเลยนะเสียใจที่ต้องรักษาสิ่งนั้นก็อีกอย่างหนึ่งเสียใจที่ต้องพลาดจากสิ่งนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็ประก่าเป็นทุกอย่างมหันต์แทุกเลยนั่นแหละผู้ที่รอบรู้ความเป็นไปของสิ่งนั้นนึงรู้ว่าโอ้โหความเพลิดเพลินมีณที่ใดทุกข์ก็เกิดนะที่นั้น ทำยังไงหนอจึงจะไม่เพลิดเพลินอย่าลืมนะศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาแห่งทุจริตกรรมไม่ใช่เข้าไปมีราคากับสิ่งนี้เข้าไปประทุษร้ายสิ่งนั้นไม่ใช่แต่เป็นการปลดเรื่องอย่างถูกวิธีเนี่ยนะเรียกว่าปลดตัวเองออกในจากสิ่งนั้นอย่างอย่างถูกวิธีนะที่เรียกว่าอันนี้แหละเป็นเป็นศาสนาแห่งปัญญาจริงๆเพราะถ้าไม่รู้วิธีปลดเนี่ยนะก็ยากที่จะทาใจได้ ก็นว่าเป็นคนที่ฉลาดคิดเป็นอย่างมากเลยนะเป็นผู้ที่มีปัญญา ม, มากเพียงสามารถทําได้เพราะว่ารอบรู้ถึงพิษภัยของตัวขันนั้นนั้นเป็นอย่างดีก็แลม่มนจิตุกรรมยตายานนั้นย่อมเกิดแก่พระโยคีบุคคลผู้ทอดอะไรในสังขารทั้งปวงผู้ไขจะพ้นจากสังขารทั้งปวงพระโยคีบุคคลเป็นผู้ไขจะพ้นจากสังขารทุกประเภทบรรดามี ไม่ว่าจะเป็นภพสามกำเนิดสี่ขติห้าวิญญาณทิติเจดสัตตาวาสเก้าเนี่ยนะทุกขนทุกแห่งแปลว่าคิดถึงอะไรอันนั้นก็น่าเบื่อไปหมดเลย เ, เราคิดพ้นสังขารไม่มีใครคิดพ้นสังขารมัม้ย น, นี่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปนะคนที่เข้าพระสมาบัตเรเท่านั้นแหละที่คิดไม่อยู่ในสังขารเป็นอารมณ์นะคนธรรมดาทั่วๆไปคิดยังไงก็มีสังขารเป็นอารมณ์ถึงจะมีบัญญัติก็บัญญัติที่อาศัยสังขารอีกนั่นแหละเป็นอารมณ์ ยังคิดถึงเราทั้งหลายคิดคำว่านิาพานเนี่ยนะอยู่บนเสียงนะเป็นอารมณ์บัญญัติว่านิาพานของเรานะมีอะไรบางทีก็มีสีใช่ไหมสีคือสีดำถ้าพิมกษรสีดำนอนหนูสะอีพ่พานสองตัวสะา น, นหนูเออนิาพานบางทีคิดถึงสีของสีนิาพานที่พิมพ์ออกมาอย่างนั้นอย่างหนึ่งตัวเขียนนิาพานคิดถึงสีก็คิดถึงเสียงว่านิาพานคิดถึงคาว่านิาพาน เราก็จะคิดอยู่ได้เท่านี้อาขาคิดเกินกว่านั้นคิดยังไงความสิ้นตัญหาก็ ค, าคิดถึงคำอีกนั่นแหละส่วนใหญ่เนี่ยพรานคิดไม่พ้นสังขารเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ทีนี้คนที่พิจารณาอย่างเนี้ยจะเริ่มคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามรูปเป็นสังขารถ้าไม่ใช่รูปล่ะเป็นนิพพานเวทนาเป็นสังขารถ้าไม่ใช่เวทนาล่ะก็เป็นนิพพาน วินสัญญาเป็นสังขารสิ่งที่ไม่ใช่สัญญานี่ยแหละเป็นนิพพานสังขารเป็นสังขารขันเนี่ยนะเป็นสัง ข, ขารสังขารธรรมอ่ะเนียสิ่งที่ไม่ใช่สังขารขันนั่นแหละเป็นพระนิพพานเนี่ยนะวิญญาณเป็นสังขารคือสังขารธรรมพระนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่วิญญาณแล้วก็อย่างอย่างคนที่จะมีปัญญาคิดได้ขนาดนี้นะถ้าเป็นไม่เคยฟังธรรมมาก่อนอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ย สมัยที่ท่านอยู่กับอาลาระดาบทอุธกะดาบทเนี่ยท่านคิดเป็นเลยเนี่ยนี่มันเนวะสัญญาณนะสัญญาญตนะนี่มันอากินกันยาญตนะมันเป็นสังขารธรรมมันเป็นกรรมที่จะให้เกิดในภพนั้นอะ่ะแยกออกเลยไม่ใช่พระนิพพานจริงดังคาโฆษณาของอาจารย์อาจารย์บอกว่านี่คือนิพพานแต่นี่มันสังขารธรรมอยู่มอาจารย์จะบอกว่านิพพานได้ยังไงไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเห็นว่า ตัวอากินจัญญายตนะกเนวสัญญาณนะสัญญายตนะคืออายุหนะณะตัวอายุหนะณะมันนำปฏิสนธิอ่ะพวกนี้มันก็เป็นสังขารนิมิตมันเป็นขันห้าแล้วอาจารย์บอกนิพพานได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่ก็ลาออก <c oughs> ไม่รู้จะทาไงคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะก็บอกไปหาที่มันไม่ใช่อยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่สมัยนั้นเขาก็โชว์ว่าเออเนี่ยการตั้นลมหายใจเป็นต้นจะทําให้บรรลุนิพพาน ท่านก็ไปทำทุกวิธีมันก็ไม่ใช่สักวิธีหนึ่งนะน